หายบอกว่าการศึกษาในอธิศีนบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาศึกขาบ้างในธรรมวินัยที่พระธรรคตประกาศแล้วนี้เรียกว่าศึกขานุ ต, ตริยะการศึกษาที่มีอยู่มากมายเรียนไม่จบในโลกเนี้ยพระองค์ทรงสรรเสริญเฉพาะการศึกษาในศีล ใ, ในสมาธิในปัญญาเท่านั้นว่าเป็นยอด ทำไมจึงเรียกว่าเป็นยอดเพราะสามารถช่วยให้บรรลุอมตะธรรมได้ถ้าเราบรรลุอมตะธรรมก็ไม่ต้องมาศึกษาอีกคือมันจบได้อะถ้าเราศึกษาอย่างที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยนะมันไม่จบไงเอาชาตินี้ศึกษาไปอย่างนี้เบีดเสร็จเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับอยู่นั่นแหละอาย้อนกลับมาศึกษาเออท่านในสายตาอย่างพระพุทธเจ้าที่มองเห็นทุกจักรวาล รอบรู้ในกระแสขันของสัตว์ทั้งทั้งมวลเนี่ยเห็นหมดใช่ไหมว่าโอ้โหคนคนนี้แต่ก่อนเคยเป็นน็อกเตอร์นะเคยจบสูงสุดนะอ่าเพราะมาต่อมาอา่ำกลับมาเรียนใหม่อีกแล้วามาชาตินี้มานั่งเรียนใหม่โอ้ยลําบาก ล, บลําบนเหลือเกินต้องเพาะร่างกายต้องดูแรลร่างกายอาำมาเรียนเรียนเรียนเรียนอาชาตินี้จบไปอาำกว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอ่ำเป็นโรคนั้นตายแตย่ก็อ่ำ ก, กลั บ, ลบมาเรียนใหม่อีกแล้วนี้นะ่ยหู้น่าเบื่อมาก เบื้องเกี้งเนี่ยถ้านี่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะพมมองไม่เห็นมันก็ดูไม่เห็นมีอะไรที่จริงว่าถ้ามองอถ้าเราอย่างอย่างคนที่เขาสายตาดีปู่ยาตายายที่เขาล่วงการผ่านวัยมามั่นเขาก็ดูใช่ไหมเขาก็ดูว่ามันมีคนคนหนึ่งเนี่ยถ้ากระทาแบบนี้แล้วต่อไปจะลําบากเนี่ยเขาก็เห็นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยตาดีเนี่ยก็เห็นโอ้นี่เหล่าสัตว์นี่ยหน้ากรุณา้มาก ว่าเนี่ยศึกษาอะไรกันก็ไม่รู้ศึกษาเรื่องช้างบ้างเรื่องม้าบ้างเรื่องรถบ้างเรื่องศิลปะวิทยาต่างๆบ้างอะไรต่างๆไปไมาตายไปตกนรกบ้างอะไรบ้างเรียบร้อยพอตกนรกไปเสร็จนะ่ยสมบัติที่มีอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้สักชิดเลยลำบากที่เราบางทีเราเรามัวกังวลคนอื่นมากนะให้สังเกตดูไหมกังวลคนนั้นคนนี้บ้างแต่พอเจ็บป่วยขึ้นมาไม่มีใครช่วยเราได้สักคนอะไรเดยวนี้ก็ คนบอกทางสวรรค์ให้ได้ไม่ได้สักคนเรียบร้อยต้องระวังด้วยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันไม่จบทัการงานใดๆที่ทําแล้วมันไม่จบเนี่ยการงานนั้นชื่อว่าไม่ดีไม่นํามาซึ่งประโยชน์สมตมติเราเราที่จริงการประกอบอาชีพเพื่อเลีเ้ยงชีพเนี่ยถ้าเราเลี้ยงชีพพอให้อัถภาพหรือชีวิตเป็นไปได้โดยไม่ขัดสนถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ย โอเคแล้วถือว่าใช้ได้แล้วทีนี้ทีนี้เวลาที่เหลือนั้นถ้าเรามาศึกษาคําสอนนี่เนะียไอ้ตรงนี้เริ่มได้ดีแล้วแต่ถ้าบอกว่าเอ้เราลุยทั้งโลกไปเลยเนี่ยอันนี้เสียหายปาริจารยานุจริยาการบํารุงที่ยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้าแสดงว่าบุคคลบางคนในโลกเนี้ยบางคนก็บํารุงกษัตริย์บ้างพร า, มารหมณ์บ้างคัหธบุรีบ้าง บำรงคนชั้นสูงบ้างชั้นต่ำบ้างมุงสำน้าพราหม์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนวิเคุทั้งหลายการบำรุงนั้นมีอยู่เรากล่าวว่าไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าการบำรุงนั้นเป็นการบำรุงที่เลวเป็นกิจของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดัดเพื่อความส ง, งบระงับและเพื่อความรู้ยิ่งตัดรู้และเพื่อพระนิพพาน ดูก่อนภิกษจทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักที่ตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเรื่มสายยิ่งย่มบำรงตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อกาเออตรงนี้ต้องดูให้ดีนะว่าเอ๊ะทําไมพระเจ้าถึงตรัสอย่างนั้นพระเจ้ากลัวว่าจะไม่มีใครบำรุงหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปคิดอย่างนี้นีคนคิดอย่างนี้มีเยอะ พอพูดอย่างนี้มาไอ้แดงของพระเจ้าเนี่กลวไม่มีคนรู้ตามว่าพระเจ้าถ้าถ้าพระเจ้าเป็นกษัตริย์เนี่ยพระเจ้าลําบากไหมเรื่องเรื่องอาหารการบริโภคนี่พระเจ้าไม่ต้องการแล้วเรื่องลาบสการะเนี่ยเราต้องมองมองให้ออกย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อก้าวล่วงความโศกและผลิตเทวะเพื่อความดับศูนย์ไปแห่งทุกโทรมนัสเพื่อบรรลุยยธรรมเพื่อ กระทำพระนิพพานให้แจ้งดูก่อนภิสูุ์ทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักที่ตั้งมั่นมีศรัทธาไม่อวนไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่มบำรุงพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าปาริจาริยานุปริยาปาริจจริยานุตริยาข้อนี้หมายถึงการอุปถาการบำรงบรรเลนรับใช้ให้ความสะดวกแก่ผู้อื่น ทีนี้การอุปถาการบำรุงปลนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์นั้นน่ชื่อว่าเป็นการบำรุงที่ยอดเยี่ยมโปรดสังเกตบอกว่ า, วาการบำรุงอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ใช่การบำรุงที่ยอดเยี่ยมอันนี้ท่านเน้นถึงคุณของท่านเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องดูว่ากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นถ้าเราได้ คำว่าบมรุงในที่นั้นเป็นเชิงการบูชาเป็นต้นเนี่ยนะมีดอกไมก้มีคลองหอมมีอะไรต่างๆที่เราสักการละเราบูชาอยู่นี่ลบางคนก็มีน้ำเนี่ยเขาก็บูชาแล้วมีน้ำแก้วหนึง่งเขาก็ไปใส่น้ำเช้าเย็นเลยนะใช้น้ำเนีย่ยถว า, ายพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าอัลรหาตาทีหินาวหิคุเนหิสมานาคาตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมังสุทธาสีตะลังปานียังสกัจยังเทมิแล้วก็ว่าอีทางเมทานางอาสวะขยาวหังโขตุอะไรเนี่ยเขาก็ว่าเลยตบขอทานนี้ข้าพเจ้าขอถวายน้ําดื่มสะอาดนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม9ประการมีความเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้นขอทานนี้ของข้าพเจ้าจงนํามาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสด้วยเถิด ก็ท่องกันแล้วนี่ก็รืบูชา 6. อนุตตะอนุสตานุตริยะการลลึกที่ยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมระลึกถึงการได้บุตรมาบ้างคิดถึงบุตรคิดถึงภรรยาคิดถึงทรัพย์หรือการได้มากบ้างน้อยบ้างระลึกถึงสัมมาณะหรือพรามณ์ผู้มีการปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการระลึกนี้มีอยู่เรากล่าวว่าไม่ใช่ไม่มี ก็แต่ว่าการระลึกนั้นเป็นกิจเร็วระลึกในเป็นกิจของสตินะการระลึกได้เนะี่ยการระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม่นานได้งั้นกิจในการระลึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นกิจของสติสติเนะี่ยท่านขับเน้นในเรื่องของความจําด้วยนะคนที่จําอะไรได้ระลึกอะไรได้เร็วก็คนมีสติทีนี้บางทีเราเอาไประลึกอย่างอื่นไงบางคนพอมีสติมากก็ระลึกเลยนะ เออเรามีจอบกี่เล่มมีเสียมกี่เล่มอะไรลึกเลยนว่ า, า, า, าถ้าเก็บของเก่ามากๆนั่งนับเลยลึกลึกลึกลึกดูทุกวันเลยบางทีมันมีมี ม, มีมีคนหนึ่ง เ, เด็กคนนึ่งมาอยู่กับยานเขาเองเก่าที่บ้านก็จะชอบสะสมพระเครื่องเวลาเขามาที่เนี่ยเขาจะคว้านหาเลย แล้วเขาเจออะไรก็จานครับนี่ขอได้ไหมครับอะไรเนี่ยเนียาก็เออเขาชอบเขาบ้านดินเขาดินเก่าเก่านี่เขาชอบมากก็เลยบอกเออมีดินที่สังเวชนียสถานเอาไหมเขาโอ้เข้าเอาเขาว่าเขาชอบดินเก่าเก่าที่ของอะไรที่มีอายุเก่าแก่เนี่ยเขาไปนั่งซองเขาจะมีที่ซองวันวันก่อนก็มาที่เนี่ยไอ้ที่ซองผ้าเขาหายไี้ที่ซอง โอ้เข้าหาเอกะถามเอหาอะไรเนี่ยเขาบอกไม่รู้ใครหยิบไอ้ที่ซองนี่เขาหายไปไหนไม่รู้แม่เขาหาอยู่จะครึ่งวันเออเขาเขาบอกว่าเวลาเขาไปวางไว้ตรงไหนเขาจะระลึกได้หมดเลยเขาจําได้เลยถ้าใครไปขยับของเขาเขาบอกฉะนั้นถ้าหากเขาอยู่ในห้องเนี่ยแม่เขาเข้าไปในห้องเนี่ยรู้แม่งที่บางทีใครไปถูจะทำความสะอาดให้เขาเนี่ย เขาจะไม่ขยับถ้าไปขยับของเขานี่ยเหมือนกับมาเขาโวยวายเลยเขาเขาระลึกได้ไหมแต่ขยับที่นะโอ้เล้วทาไมถึงระลึกได้ยานก็ถามโอ้ผมดูทุกคืนเลยยานก่อนจะนอนก็คือก่อนจะนอนเขาก็ดูใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเขาก็จําได้หมดเลยแล้วก็วางไว้กับพื้นเลยเนะ่นั่นแหละบางทีเขามาอยู่ที่เนี่ยเขาจะขอที่เขาประมาณรักสอกกว่ากว่าเขาก็จะวางวางของของเขาเขาจะมีมุมของเขาเลย วางของเก่าเตหมดแลกจริงๆแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้มาเป็นสิบปีแล้วเป็นสิบปีนะไม่เห็นไม่เห็นเลยไปจากไหนนะก็ยังเก็บดินอยู่นั่นแหละอย่างนี้เขาอย่า ง, างคือเขาละลึกผิดเนะี่ยเขาละลึกในทางที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ดูการภิกษุทั้งหลายการระลึกนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการระลึกนั้นเป็นกิจที่ต่ำคือการระลึกลักษณะอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อการบ่มสติปฐานในบริบูรณ์เป็นกิจของชาวบ้านเป็นของพุรุชนไม่ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์3และก็ไม่เป็นไปเพื่อปรมัถประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคือระลึกยังไงก็ไม่เบือ่อ เคยเห็นวันก่อนมีพระอยู่รูปหนึ่งนะแต่ก่อนท่านเคยสอนเคยอะไรเราด้วยซ้าไปมาวันนั้นน่ะท่านก็มาท่านไปอยู่ในกรุงเทพจากกันยี่สิบกว่าปีแล้วก็ไปหาท่านโอ้โหเข้าไปในห้องเจอพระเครื่องเต็มเลยก็เลยถามท่านน่ะท่านอาจารย์ไม่ได้ศึกษาอะไรต่อูไม่เลยเขาศึกษาพวกนี้หมดเลย คนมาหาท่านคือเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันทั้งนั้นบอโอ้โหเป็นเป็นธุรกิจไปเล ย, ยเสียหายเลยวนันวันก็ส่องกันอยู่นั่นแหละส่องแล้วไม่ลายกำหนัดจริงๆนะไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเลยไม่เบื่อดูไงก็ไม่เบื่อแล้วมีบางคนก็บอกโอ้โหดูอย่างนี้เห็นพุทธคุณนะก็งั้นมองอยังไงไม่เห็นมีพุทธคุณซะ เพื่อดับเพื่อสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรรู้เพื่ออนิพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนท่านผู้ใดผู้มีศรัธทธาตั้งมั่นมีความรักที่ตั้งมั่นมีศรัธทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการละลึกนี้ยอดเยี่ยมกว่าการละลึกทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่เหงเหล่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ําไรเพื่อความดับสู ญ, ญไปแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุเยยธรรมเพื่อทําให้นิพพานให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวันไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งมีความระลึกถึงพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตอันนี้เรียกว่าอนุสตาอนุตริยาเวลาระลึกถึงพระธรรมคตหรือสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้เขาลเลื่อย แม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสลองระลึกไปตือจิตระลึกแล้วจิตจะสงบระงับจากกิเลสได้จริงๆนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตัดอนุตริยะทั้ง6ประการนี้ทําให้เห็นได้ว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าการได้นั้นได้แก่กาไ ด, ได้แก่พระ t h a n a tray นั่นเองนะการเห็นการฟังการได้ศรัทธาการยินดีในธรรม การบำรองอุปถาการได้อนุสติคือการระลึกบุคคลที่อาศัยสิ่งที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นผู้ไม่มัวเมาประมาทมีปัญญารักษาตนนะสํารวมอยู่ในศีลย่ำมรู้ชัดซึ่งธรรมที่ดับทุกข์เข้าถึงอมตะธรรมในเวลาอันสมควรได้จุดมุ่งหมายในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่า การที่ได้ฟังธรรมของพระผู้มีพรภาคเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าชื่อว่าการฟังที่เยี่ยมก็สิ่งอื่นเป็นต้นเหล่านั้นนะนะทีนี้ถ้าเราจะมาเทียบดูในคำสอนบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งบุคคลออกเป็นสองจพวกเป็นอภัพพระคมณะแล้วก็เป็นพภะขมณะพวกที่ไม่ควรที่จะบรรลุมรรคผลเรียกว่าอภัพพระคมณะ ส่วนพวกที่บรรลุมรคผลเรียกว่าพักภักขมนะในคัมภีปุคาละบัญญัติได้กล่าวไว้บอกว่าผู้ที่ไม่ควรบรรลุมรคผลได้แก่ผู้ที่ประกอบด้วยอาวรนสาประการนะหนึ่งกรรมาวรสองกิเลสาวรสแล้วก็วิปากาวนพวกนี้ไม่ควรบรรลุกรรมาวรคือกลุ่มกระทําของการกระทําของตนเองเป็นเครื่องกั้นนะ พวกทำอนันตริยกรรมเนะี่ยฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันทรทำโลหิตตุประบาทพุทธเจ้าแห่งห้อทำลายสงฆ์ให้แตกกันนะบุคคลที่ทำอนันตรียกกรรมทั้งห้าประการเนี่ยถึงแม้จะมีปัญญาอย่างไรก็ไม่อาจที่จะบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงได้ตัวอย่างที่เห็นก็คือเช่นพระเจ้าชาติสตูพระเทวทัตเป็นต้นพระเจ้าชาติตูที่ฆ่าพระเจ้าิมพิสารเนี่ย ลักษณะอย่างนี้เป็นตัมมาวรคือทำร้ายพระอริยะแล้วก็ทำร้ายพ่อเดประการที่สองคือกิเลสาวรกิเลสาวรคือกิเลสเป็นเครื่องกั้นนะกิเลสเป็นเครื่องกั้นเนี่ยท่านขับเน้นในเรื่องของนิยตามิจฉาทิฏฐิคือเป็นผู้เที่ยงมั่นคงต่อความเห็นผิดใครชี้แจงแสดงเหตุผลให้ผลให้ฟังก็ไม่ยอมเปลี่ยนอันนี้เขาเรียกนิยตามิจฉาทิฏฐิ ถ้าคนมีความเห็นผิดประเภทนี้นะใครพูดยังไงก็พูดไปเถอไม่เบียนหรอกพูดอธิบายเหตุผลยังไงเขาก็ยึดถือความเห็นผิดของเขาอยู่นั่นแหละนี่คือกลุ่มนิยะตามิจฉาทิฏฐิประเภทที่สามเขาเรียกวิปากาวรมีวิบากเป็นเครื่องกันวิบากในที่นี้ได้แก่ปฏิสนธิจิตหมายความว่าบุคคลที่ปฏิสนธิที่ประกอบไปด้วยไม่มีเหตุเนนะี่ อเหตุกบุคคลนะหรือปฏิสนธิมาเพียงเหตุสองเขาเรียกทวิเหตุกบุคคลคืออะโลพะอโทสะขาดอมโมหะคือขาดปัญญาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่เกิดมาบ้าบาบา บ, าบอดนวกเป็นต้นพวกนี้บรรลุไม่ได้หรือเกิดมาดีๆสมบูรณ์นี่แหละแต่ไม่มีปัญญาในขณะเกิดไม่มีสัจชาติกาปัญญาไม่มีปัญญาที่เกิดมาพร้อมกับการเกิด บุคคลเหล่านี้ก็ฟังธรรมไม่อาจที่จะบรรลุได้แต่สร้างเป็นอธิยาศัยได้นะนอกนั้นยังรวมเป็นพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะมีปัญญาซามโง่เขาไว้ด้วยพวกที่ไม่มีศรัทธาคือพวกที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมตรยัยพวกที่ไม่มีฉันทะคือพวกที่ไม่ยินดีในการทํากุศลทั้งปวงพวกที่มีปัญญาสามคือพวกโง่ก็คือท่านผู้ไม่มีปฏิสันที่มาไม่มีปัญญาประกอบ ส่วนผู้ที่บรรลุมรรคผลก็คือผู้ที่ตรงกันข้ามนะคนที่ไม่มีกรรมมาวอนไม่มีกิเลสสาวอนไม่มีวิปากาวอนเป็นต้นนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่เขาเขาแยกบุคคลออกอย่างนี้พระพุทธเจา้าแสดงบุคคลพวกที่หนึ่งว่าการบรรลุมรรคผลย่อมมีแก่บุคคลใดพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงอันนั้นเรียกบุคคลนั้นบอกว่าอุคติตันอยู่ บุคคลประเภทนี้นะถ้าหากว่ายกหัวข้อขึ้นแสดงนะถ้าหากว่ายกหัวข้อขึ้นแสดงปุ๊บเนี่ยแล้วบรรลุได้ในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอุคติตันยูว่าไงฉะนั้นคำว่าอุคติตันยูเนี่ยก็แปลว่าออฟังอุเทศแล้วได้บรรลุอย่างเช่นว่า พิกษจพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้หนึ่งฟังแค่เนี้ยฟังแค่เนี้ยท่านอย่างนี้ก็เรียกกลุ่มอุคติตัญยูฟังอุเทศแค่เนี้ยเชื่อไหมถ้าเราพอกเราจะพัฒนาไปเป็นอุคติตัญยูก็ได้แต่ไม่ใช่ชาตินี้นะถ้าไปขนาดนั้นถือว่าใช้ได้หนะึ่งเป็นอุคติตันย ตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธการก็เช่นท่านพัทพายยะทารุจรรยานี่ดูก่อนพายยะเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อได้ยินจักเป็นสักว่าได้ยินเมื่อทราบจักเป็นว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งเี่ฟังแค่นี้ยันรล้เรายังไม่รู้เลยเห็นจักเป็นสักว่าเห็นอะไรก็ไม่รู้นต้องมาขยายกันอีกยาวเลยครับเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเนี่ย เห็นเนี่ยไม่ใช่ตาเนื้อเห็นเพราะตาเนื้อเนี่เห็นรูปารมณ์ไม่ได้ตาเนื้อก็เหมือนกระจกเงาใช่ไหมสีภาพที่เห็นก็เหมือนกับแสงสว่างที่มันสะท้อนกับกระจกคือภาพที่สะท้อนกับกระจกแต่ตัวที่เห็นนั่นคือจักขูวิญญาณคือวิญญาณที่อาศัยตาให้ตัววิญญาณที่อาศัยตานั้นน่ยจักขูวิญญาณทําทัศนกิจ คือทำกิจในการเห็นนั้นตัวจักขูวิญญาณทำทัศนกิจคือการเห็นนั้นเน่ยจักขูวิญญาณเห็นรูปพระพุทธเจ้าว่าเห็นจักเป็นสัตว์ว่าเห็นให Hindi, ้รู้ว่าที่เห็นน่ยไม่ใช sure ่เธอเห็นนะไม่ใ <ilgili> ช่เห็นหญิงเห็นชายนะไม่ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะแต่ที่เห็นนั้นคือจักขูวิญญาณไปทําทัศนกิจคือการเห็นผู้ที่เข้าไปเห็นคือจักขูวิญญาณผู้ที่ถูกเห็นคือ รูปารมณ์คือภาพสีอันนี้ในหนึ่งทีนี้จักขูวิญญาณที่ไปเห็นนั้นไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่รุ่มหลงนะเพราะตัวจักขูวิญญาณนันไม่ได้ไปยินดีหรอกไม่ได้ไปยินร้ายหรอกไม่ได้ไปหลงในการเห็นนั้นเลยเธอก็จงตั้งชาวนาจิตโดยเอาจาักขูวิญญาณเป็นประมาณไวนะ้เนี่ยหรือเอาจาักขูวิญญาณเป็นประมาณก็ไว้ คืออยากให้เกิดความโลภอย่าให้เกิดความโกรธอย่าให้เกิดความหลงในชาวนะจิตอย่างนี้เขาเรียกเห็นจากเป็นสักว่าเห็นในยะสองแล้วมีนัยยะต่อไปไหมเอามีการเห็นเกิดขึ้นได้เนี่ยอาศัยปัจจัยหลายอย่างนะเช่นสีจะเกิดขึ้นได้นั้นสีนั้นเกิดจากสมุธฐานทั้งสีเนียสีเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารนะ สีนั้นเป็นอารามณปัจจัยให้เกิดจากขวัญญาณเป็นต้นและจากขวิญญาณจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยอื่นอีกมากมายเข้าไปสาธยายในปัจจัยและปัจจัยที่ให้เกิดสีเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงผมไม่เที่ยงและสีจะเที่ยงได้อย่างไรรูปอารมณ์จะเที่ยงได้อย่างไรจากขวิญญาณที่ไปทําทัศนกิจคือการเห็นรูปอารมณ์นั้นเที่ยงไหมผมไม่เที่ยงแล้วจากขวิญญาณจักเที่ยงแต่ที่ไหนมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็มีความแปลป่วนในท่ามกลางแล้วก็ดับไปในที่สุดเป็นต้นหาสาระแก่นสารไม่ได้เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาละฉันทราคะในจักวิญญาณในรูปอารมณ์ได้ไหมทะละได้เนี่ยเริ่มจักประหารกิเลสได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนเห็นไหมแค่เห็นจักเป็นศักด์ว่าเห็นเนี่ยเรายังต้องเอามาคุยขยายเยอะใช่ไหมอันนี้ถ้ากลุ่มอุคติตัญยูเนี่ยท่านเรียบร้อยแล้วกราบลาพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วเนี่ย เราศึกษาตามท่านเลยนะค่อยๆศึกษางฉั้นถ้าพิจารณาจากพระดำรัสของพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วพุทธเจ้าตรัสไว้เพียงว่าการบรรลุมรรคผลย่อมมีแก่บุคคลผู้พร้อมด้วยพร้อมกับเวลาที่ยกหัวข้อขึอข้นแสดงบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าอุคติตันยูพระองค์ไม่ได้ทรงจอดจงว่าต้องบรรลุมรรคผลขั้นใดเพราะฉะนั้นจะอนุโลมตามพุทธดำรัสแล้วก็คิดว่า บุคคลบรรลุมรรคผลขั้นต้นแม้เพียงเป็นพระโสดาบันรวดเร็วในเวลาที่ได้ฟังหัวข้อก็จักว่าเป็นอุคติตันยูนะอย่างเช่นท่านอุปติจัท่านภาษารีบุรฟังทมจากท่านพระอัสเชียฟังแค่หัวข้อบรรลุเลยอย่างนี้ก็เป็นอุคติตันยูประการที่สองคือเวปัญจิตตันยูบุคคลอันนี้พระพุทธเจ้าสเสดบุคคลบรรลุมรรคผล การบรรลุมรคผลย่อมมีแก่ผู้ใดในเมื่อท่านจำแนกเนื้อความแห่งพาษิตโดยย่อยพิสดารอันนี้แสดงนิเทศจบแล้วบรรลุเลยไอ้อย่างยกตัวอย่างยังไงดีถ้าแสดงนิเทศก็คือว่า16 อ, อ, อย่างใน อ, อ, อย่างในอย่างในเวทนาเ อ, อในในอย่างดีกว่าสุขเวทนาทุกเวทนา อ, อทุกขมสุขเวทนาไห สุขเวทนาอาศัยสุขเวทนาอาศัยอามเตรกับสุขเวทนาอาศัยเนเขมะทุกขเวทนาอาศัยอามิตรทุกขเวทนาอาศัยเนเขมะอุเบขาเวทนาอาศัยอามิตรแล้วก็อุเบขาเวทนาอาศัยเนเขมะเก้าอย่างเนี่ยพอแสดงจบเก้าอย่างก็บรรลุอันนี้เขาเรียกกลุ่มวิปปันติวิปปจิตันอยู่ฟังคําอธิบายเบ็ดเสร็จก็เข้าบรรลุได้ ในกลุ่มสาบางทีจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะเป็นต้นแสดงจบ16หัวข้อเป็นนิเทศขยายอย่างนี้นะบนรรลุเลยถ้าบอกเพียงว่าจิตดูก่อนภิสูจทั้งหลายภิกูจพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัตในโลกเสียได้หนึ่งอันนี้ยังไม่บรรลุนะวิปเจ แต่พอมาขยายว่าดูก่อนภิสูุ์ทั้งหลายการพิจารณาจิตในจิตอย่างไรเล่าเมื่อจิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคาก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะอีกขยายไปอย่างนี้นะเรียบร้อยเลยของเรายังไม่รู้เลยนะอจิตมีราคาเป็นยังไงยังต้องมาขยายอีกนะอย่างเรานี่ต้องขยายใช่มหมยังไม่ราคะเป็นยังไงอ่ะไอปราศจากราคะเป็นยังไง แล้วโทสะนี่ชื่อว่าปราศจากราคามั้ยังต้องมาโถกกันอีกนานเลยนะถ้าเขาให้บรรลุวันนี้เลยบรรลุเอาไหมบุคคลประเภทที่สามได้แก่ในญาบุคคลพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการบรรลุมรรคผลเป็นชั้นๆไม่ไปอะย่อมมีแก่บุคคลใดในบุคคลนี้คือโดยอุเทศโดยการไต่ถามอุเทศคือหัวข้อนะ โดยทําไว้ในใจโดยแยกขายโดยการสมาคมโดยการครบหาโดยการสนิทสนมกับกระยาณมิตรอันนี้เรียกว่าในยะโอต้องหลายอย่างเลยท่านในยะนี่นะหนึ่งท่องโหเทศให้ได้ลาดับแรกเลยนะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นในยะบุคคลเวทที่สามเนี่ยท่องหัวข้อให้ได้เมื่อท่องเบสเสร็จก็ไต่ตาถามเพราะไต่าถามเบสเสร็จให้มันเข้าใจนะพอเข้าใจก็ทําโยนิโสมนัสิกันว่างั้น ใข่ครัวรเอามาตรึกเอามาใข่ครัวนเอามาพิจารณาอยู่นั่นแหละแล้วก็สมาคมคบหาสนิบสนมกับกัลยาณมิตรเขาไว้รู้ว่าใครเป็นครัวอาจารย์ก็เข้าใกล้ท่านก็ไว้อย่าห่างท่านนี่นะอันนี้เล็กเงยยะคือเพียนเอาจนได้อะเรียนแล้วเรียนอีกถามแล้วถามอีกว่างนั้นเถอะ ทั้งเรียนทั้งสอบถามทั้งสนทนาทั้งอะไรต่างๆเข้าใกล้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็ไปภาคเพียนเจริญประพฤติปฏิบัติฟังธรรมะอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะบรรลุดาถ้ารู้ว่าเป็นในยานี่เนี่ ย, ยหมายถึงบุคคลพวกนี้ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ด้วยการฟังหัวข้อทำเท่านั้นไม่ใช่ต้องอาศัยความภาคเพียรอีกมากโดยการใส่ใจไต่ถามพิจารณาไต่ตรตง โดยแยบคายแม้การ น, นั้นก็ยังไม่อาจจะบรรลุได้ต้องอาศัยคบหาใกล้ชิดกับกัลยาณมิตรได้รับการแนะนําจากกัลยาณมิตรเป็นต้นไปจนลำดับจึงจะบรรลุคุณธรรมตามลําดับเป็นพระอรหันต์ได้เพราะเหตุนั้นนะบุคคลจําพวกนี้จึงชื่อว่านายยะบุคคลบุคคลผู้บุคคลผู้ที่ผู้อื่นจะแนะนําได้คือแนะนําไปสู่การบรรลุมรรคผลได้จนเป็นพระอรหันต์ได้ หมายความว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับการแนะนําพร่ำสอนจากกรรยานมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างมากมายแล้วก็จกบรรลุควรธรรมขั้นต่ํามีโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบานันต้องได้รับการแนะนําสั่งสอนอีกจึงจะบรรลุเป็นพระสกาทาคาเป็นต้นเหล่านี้เนะี่ยเออยังมีนะบางกลุ่มเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วก็ต้องคอยรับคําแนะนําอีกกลุ่มเนยะเป็นแบบนี้ เมื่อเป็นพระสกาธาคาแล้วก็ยังยังมีประมาดอีกนะก็ได้รับคําแนะนําแต่ถึงเขาประมาดยังไงเขาเกิดอีกน้อยเขาไม่รู้แล้วเขาความทุกข์ของปุถุชนเหมือนกับความหนาของแผ่นดินสองหมื 24, ่นสี่พันยอดเอาฝุ่นหนึ่งเ ม, ม็ดมันมาทิ้งลงปุ๊บเนี่ยเกิดชาติหนึง่งชาติหนึ่งมานั่งนับนี่นะเอาฝุ่นเม็ดเล็กๆมานะแกะฝุ่นมาเม็ดนึงเกิดชาติหนึงนะ่งเอาแผ่นดินหมดหมดแผ่นดินนี้เมื่อไรเนะี่ยคือ การเกิดของเราที่จะต้องไปทุกในอนาคตนับอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเรามันยังไม่เบื่อหน่ายก็นึกนึ ก, ก็บเนีเ้วิธีคิดก็คือบอกว่าบางทีเนี่ยโอ้โหบางชาติบางชาติก็ไปเกิดเป็นเปรตตัวยาวขนาดนี้ใช่ไหมบางชาติก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบางชาติก็ไปเกิดเป็นอสุรกาย โดยเฉพาะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเวลาเห็นวัวเห็นควายก็คิดให้มากคือก็สอนให้พระคิดให้มากนะเวลาเห็นช้างเห็นเขาเอาเอ า, เอาขอสับช้างอ่ะปึกปึกป๊กปึกเรายังไม่พ้นนะถ้าเราไปเกิดเป็นช้างบางทีนยก็เหยียบตอเหยียบระเบิดมาอ้าวอีกแล้วรักษาเขายากตัวมันใหญ่เนี่ยความทุกข์กายมันก็เยอะมันคิดดูที่เรายังไม่พ้นเลยในถ้าคิดในลักษณะอยอย่างนี้โอ้โหไม่ไม่มัวประมาทนะ ทำท่าถากหญ้าอยู่นี่หยุดเลยหยุดเลยโอ้ไม่เอาแล้วทำท่าถากหญ้าปุ๊บๆ ๆ, ๆฉนันต้องคิดในลักษณะอย่างนี้นเวลาเราคิดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพยายามที่จริงถ้าเรามองมองจากคำสอนแล้วจะเห็นนะว่าโอ้เป็นสิ่งที่น่ากลัวบุคคลพวกที่สี่ ถ้าพวกที่สี่นี่ก็เรียกว่าท้าประมะไม่รู้เราจะอยู่พวกไหนนีแค่สี่พวกแค่นั้นนะไม่เกินอยู่สี่ะทะาประมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดฟังพุทธพจน์ก็มากกล่าวก็มากจําไว้ก็มากบอกสอนก็มากแต่ก็ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาตินี้บุคคล น, นี้เรียกว่าปะทะาประมะอคําว่าปะทะาปรมามะเนี่ยเขาแปลว่าอะไรรู้ไหม ผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งคำว่ามีบทเนี่ยก็คือเวลาถูกบอกปุ๊บเนี่ยก็มักจะมีข้อโต้แย้งอะ่ะเออมันจะไหวหรืออยู่สมมติสมมตินี่นะไอ้คําว่ามีบทคืออย่างสมมุติว่าเอาเวลาจะสาธยายคําสอนนี่ยนะเรากำลังสาธยายสาธยายโอ้ยพอแล้วแค่นี้อะไรเงี้ยอประเภทอย่างเงี้นย น, นะ อย่างจะสายายสักสามสิบนาทีโอ้ไม่ไหวแล้วเราต้องแค่สักสิบนาทีก็พอแล้วเราก็ได้บุญมามากเลยมันมีบทลักษณะอย่างนี้ยรถ้าจะศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังโอ้ไม่ไม่ไม่ไหวรง้เราร่างกายเรานี่เราคงไม่ไหวอ้จะให้จําขนาดนั้นจะได้ยังไงเล่าอะไรเงี้ยมันจะมีบทลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกมีบทเป็นอย่างนี้นั่นบอกสอนก็ดี จำพุพทธพจน์ไว้มากก็ดีไม่บรรลุอัตถกถาเขอธิบายว่ปาปะทถาปรมาบุคคลนั้นไม่อาจแม้เพื่อจะทําฌานวิปัสสนามรรคผลให้เกิดขึ้นในชาตินี้ได้ท่านหมายเอาไม่ได้บรรลุในชาตินี้เท่านั้นไม่ได้หมายถึงชาติหน้านะปะทถาปารมานี่เพราะฉะนั้นบุคคลพวกนี้อาจจะบรรลุมรรคผลในชาติต่อๆไปได้สร้างเหตุปัจจัยในการฟังการจําการสอนไว้มากในชาตินี้พวกนี้แม้ว่าจะฟังพุพทธพจน์ ก็ยังฟังไม่มากกล่าวก็กล่าวไม่มากจําก็จำไม่มากสอนก็สอนไม่มากถึงกระ น, นั้นก็จะต้องส่งเคราะห์ลงในปทาประมะในฐานะที่ไม่อาจจะบรรลุมรรคผลหรือเจริญวิปัสนาในชาตินี้เป็นต้นฉะนั้นการจัดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยอุคติตันยูวิปจิตันยูเนยะพระพุทธเจ้าเนี่ยที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้พระเจ้าสอนคนอยู่สามยมพวกที่บรรลุได้อุคติตันยูวิปจิตันยูเนยะ ส่วนปะทาะปรมาพุทธเจ้าสอนให้เป็นวาสนาภากิยะให้เป็นอุปนิสัยแก่การที่จะไปในภพเนิ่อันนี้เราสงสัยเราท่านทั้งหลายนะ่จะอยู่ประเภทสนะี่เนี่ยสงสัยเอานะแต่ไม่แน่นะท่านบางท่านอาจจะอยู่ประเภทสามประเภทสองก็ไนดะ้มันมีนะประเภทแรกๆ ก, ก็จริงแต่ประมาท ก, ก็เยอะนะไม่ใช่ว่าเราเรารู้ได้ยากตรงเนี้เนะ เพราะเรายังไม่เคยฮึดอย่างจริงๆสักทีใช่ไหมถ้าฮึดอย่างจริงๆสักทีฮึดกันหนาไหนก็ยังไม่ไปเท่าไหร่อันนี้อจักหน้าคิดแต่ต้องฮึดประมาณสิบกว่าปีเป็นต้นให้สังเกตอย่างนี้นะอย่างพระลาหุนเนี่ยบวชแต่อายุเจ็ดขวบใช่ไหมกว่าจะได้บรรลุในอายุยี่สปีเห็นไหมนะเขาไม่ใช่ปฏิบัติกันในน้อยนะมากๆเลยนะแล้วก็อย่าง รัฐบาลก็สิบสองปีอย่างนี้เป็นต้นงั้นยีสปีสาปีเนี่ยเขาเข้าถือเป็นเรื่องปกติพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งกินลูกท้อเลยแต่ท้อแล้วท้อแล้วถามเราจะไปทําอะไรใช่ไหมถ้ายิ่งท้อเราก็ถอยหลังเ ป, เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าไว้ในมูลบัญชาในสมัยที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็ปริวิตก ถึงธรรมะที่พระองค์ตัตตร้ว่าเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากสัตว์โลกทั้งหลายยากที่จะเห็นตามได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงทรงมีความขวนขวายน้อยไม่น้อมพระทัยไปเพื่อจะแสดงธรรมแล้วก็ปริวิตกคำว่าปริวิตกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดความทุกข์ใจหรือเดือดร้อนนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีความทุกข์หรือความเดือดร้อนใจหรอกพระองค์เกิดความทุกข์ใจทั้งมวลไม่มีแล้ว คำว่าปริวิตกในที่นี้หมายถึงความว่าดำริดคือพระพุทองค์ดำริดไตรตรองหรือตรึกตรองนั่นเองเมื่อทรงปริวิตกอย่างนี้เท้าสามบดีพรมก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบบอกว่าสัตว์โลกที่มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ที่สามารถจะรู้ทั่วถึงธรรมก็คงมีเมื่อพระพุทธเจ้ารับคำาราธนาของเท้าสามบดีพรมแล้ว จึงได้ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุกก็ทรงเห็นสัตว์โลกผู้มีธุลีกิเลสในจักสุคือเป็นผู้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมากใะมีอยู่แล้วก็เห็นผู้มีธุลีในจักสุคือเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอยู่และพวกที่มีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากล้าก็มี พวกที่มีอินทรีย์อ่อนพวกที่ควรจะจะรู้ได้ง่ายพวกที่จะรู้ได้ยากบางพวกเห็นโทษเห็นภัยในโลกหน้าพระผู้มีพระเจ้าก็เปรียบบุคคลเหล่านั้นเหมือนดอกบัวสี่เหล่านี่นะที่เกิดจากบุญธลิกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำไปตามน้ำจมอยู่ในน้ำบางเหล่าอยู่เสมอน้าบางเหล่าก็โผล่ขึ้นมาแล้วในน้ำสี่ําพวกอะแล้วก็เทียบเคียงก็คือว่า อุคติตันยูซึ่งสามารถจะตัดสรู้ได้ฉับพลันเมื่อฟังธรำเทียบได้กระดอกบัวที่โผล่ขึ้นจากน้ำในวันนี้วะเ น, นี่ยรอแต่แสงพ่าทิตนั้นกลุ่มหนึ่งส่วนเวปจิตัญยูนั้นสามารถจะตัดสรู้ได้เมื่อได้ฟังคําอธิบายอย่างพิสดารเทียบได้กระดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ําจะบานในวันพรุ่งนี้เออวันพรุ่งนี้ก็กจะขึ้นโผล่เหนือน้านําแล้วบาน เนยยากคือพวกที่แนะนําตัดรู้ได้เทียบได้กับดอกบัวที่จมอยู่ใต้น้ําเตรียมที่จะโผล่จากน้ําในวันที่สามประมาณสมวันโผล่จากน้ำนํำนะส่วนพวกที่สี่ประทับประมะไม่อาจจะตัดรู้ได้ในชาตินี้เทียบได้กับดอกบัวที่จมอยู่ใต้น้ําไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้เลยว่าไหมต้องตกเป็นเหยือห่อแกปลาและเต่าฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ตกเป็นเหยื่อของปลาและเต่าวันนี้ <N ic ly> <N ic ly> นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะฉะนั้นถ้าว่าพวกที่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในชาตินี้ไม่มีการกีดเวิบากเป็นเครื่องก้านตั้งเป็นผู้มีศรัท ธ, ธาฉันทาในการบำเพ็ญธรรมและมีปัญญาไม่เป็นต้นเหล่านั้นนะ่ะก็ก็อาจบรรลุได้แต่ถ้าหากไม่มีฉันทาไม่มีศรัทา ธ, ธาเป็นต้นตตทั้งๆที่มีปัญญาก็ไม่อาจที่จะบรรลุได้นะทีนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสอีกบอกว่า ในยุสูตรหนึ่งนะบุคคลบางคนในโลกนี้ไปสู่อารามเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายคือไปฟังอยู่เนืองๆอะ่ะภิกตุย่อมแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอาจพร้อมทั้งพยัญชนะแก่บุคคลนั้นย่อมประกาศพรหมจารย์ริสุทธิบ์บริบูรณ์สิ้นเชิงบุคคลนั้นฟังแล้วนั่งนั่อาสนะย่อมไม่ใส่ใจถึงเบื้องต้นคือกล่าวบอกว่าบางคนเนี่ย ไปในสํนานักของภิกษุนแล้วไปฟังทำงามในเบื้องต้นงามในที่สุดงามในท่ามกลางที่สุดเป็นต้นก็ไม่ใส่ใจย่อมไม่ใส่ใจถึงเบื้องต้นย่อมไม่ใส่ใจในท่ามกลางย่อมไม่ใส่ใจในที่สุดคือไม่มีโยนิโสมณัติการในการฟังทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแม้ลุกจากอาสนะนั้นแล้วก็ไม่ใส่ใจถึงเบื้องต้นไม่ใส่ใจถึงท่ามกลางและก็ไม่ใส่ใจถึงที่สุดแห่งคาถานั้นเลย เหมือนน้าที่เขาเทใส่หม้อที่คว่ำไว้ย่อมไหลไปหม้อคว่ำแล้วน้ําเทใส่เนี่ยไหลออกหมดไหมเดี่ยวเขาท่านยกตัวอย่างเหมือนเงี้ยย่อมไม่ขังอยู่ได้แม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ไปสู่อารามเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายไปเนืองๆ แ, แต่ว่าภิกษุแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุด พร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยบุคคลนั้นะ น, น, น, นั่งแล้วที่อาสนะย่อมไม่ใส่ใจถึงเบื้องต้นย่อมไม่ใส่ใจในท่ามกลางย่อมไม่ใส่ใจถึงที่สุดแห่งคถานั้นเลยแม้ลุกจากอาสนะแล้วก็ไม่ใส่ใจในเบื้องต้นเป็นต้นก็ฉะนั้นบุคคลนั้นเรียกว่ามีปัญญาดังหม้อความนี่มีปัญญาเหมือนหม้อความเลยนะทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ในอัตถกถาท่านบอกว่าบางท่านไม่เข้าใจ ท่านก็เลยช่วยอธิบายว่าภิกษุทั้งหลายนั้นท่านอุตสาหะละการงานของท่านแล้วก็แสดงธรรมแก่บุคคลผู้มาสุรามเพราะคิดว่าบุคคลที่มานั้นต้องการฟังธรรมจรึงได้แสดงธรรมเป็นต้นงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพร้อมทั้งอัดและพยัญชนะพระธรรมเทศนามีคาถาสี่บทคาว่าบทแรกนี้เป็นเบื้องต้น บทต่อมาเรียกว่าท่ามกลางบทสุดท้ายเรียกว่าที่สุดเช่นว่าสัพพปาปัสสะการะนังเออเข้าไปบอกว่าสัพพะธานังธรรมะธานังชินาตินี่แปลเบื้องต้นสัพพังระสังธรรมระโสชินาติสัพพังระติงธรรมระตีชินาตินี่ทําการและตันหะคโยสัพพทุก ข, ขาประมูลชิชนาติเนี่ยอันนี้ที่สุด าคถาสบาทคถาก็คือคาถาแรกก็เป็นเบื้องต้น2องคาถาท่ามกลางก็เป็นท่ามกลางคาถาสุดท้ายก็เป็นแปลว่าที่สุดนี่นะสำหรับในพระสูตรที่มีอนุสนลที่เดียวนิทานชื่อว่าเป็นเบื้องต้นอนุสนลที่สุดคือสืบต่อเป็นท่ามกลางข้อสุดท้ายอธิธามโจาก็ชื่อว่าที่สุดถ้าเป็นพระสูตรที่มีอนุสุลที่มากอนุสุลที่แรกชื่อเบื้องต้นอนุสนลที่ท้ายก็ชื่อว่าที่สุดอนุสนลที่ ว่างกลางในอนุสนทิแรกและอนุสนทิท้ายก็ชื่อว่าถ้ำกลางเนะี่ิสูจทั้งหลายย่อมแสดงทำให้งามคือปราศจากโทษทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทั้งหมดคือความงามในเบื้องต้นที่สุดเป็นต้นพร้อมอั ด, อดเนี่ยได้แก่ประกอบด้วยประโยชน์นะพยานชนะได้แก่แสดงธทมในอักขระที่บริบูรณนะ์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็ได้แก่การแสดงทำไม่บกพร่อง แล้วก็ย่อมประกาศพรหมจรรันทร์พรหมจันท ร, ร์ในที่นั้นเป็นชื่อของ ม, ร, มรรคพรหมจันทร์อริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าธรรมะที่ภิกษุท่านแสดงให้บุคคลเหล่านั้นฟังไม่ใช่ธรรมะธรรมดาแต่เป็นธรรมะชั้นสูงความงามของภาษาศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าศีลจัดเป็นว่าความงามในเบื้องต้นสมาธิจัดว่าเป็นความงาม ในท่ามกลางวิปัสนาเป็นความงามในที่สุดนั้นในหนึ่งส่วนอีกในหนึ่งสมาธิเป็นความงามในเบื้องต้นวิปัสนาเป็นความงามในท่ามกลางมรรคเป็นความงามในที่สุดส่วนอีกในหนึ่งก็บอกวิปัสนาเป็นความงามในเบื้องต้นมรรคเป็นความงามในท่ามกลางผลก็เป็นความงามในที่สุดอีกในหนึ่งก็คือมรรคเป็นความงามในเบื้องต้นผลเป็นความงามในท่ามกลางนิพพานเป็นความงามในที่สุดะได้ความงามสักกี่อย่างนี่ยังนึก ศีลได้บ้างนี่ครถ้าได้บ้างก็คือความงามได้กับเขาเมื่อไงนะศีล ส, สมาธิจัดเป็นความงามในเบื้องต้นวิปัสสนากรรมะก็จัดเป็นความงามในท่ามกลางผลกันิพานก็จัดว่าเป็นความงามในที่สุดมีห้าในนะบุคคลผู้มีดปัญญาดังหม้อความแม้ภิกษุจะแสดงธรรมไพเราะให้ฟังแต่ผู้ฟังก็ไม่ฟังอยู่เสมอไม่ไม่ได้ฟังธรรมโดยเฉพาะคือไม่ได้เอาใจใส่หรือ ขาดโยนิสโสมนสิการลักษณะอย่างนี้คันถึงอุปมาเหมือนเหมือนหม้อความไม่ได้ประโยชนจากการฟังประการที่สองมีปัญญาดังหน้าตักดังหน้าตักนี่พระพุทธเจ้าแสดงว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ไปสู่อารามเพื่อฟังธรรมเป็นต้นนะนะภิกษุก็แสดงงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพร้อมทั้งอัดและพยัญชนะแก่บุคคลนั้น ย่อมประกาศพระรมจารีสุดบริบรูบรณ์สิ้นเชิงบุคคลนั้นเมื่อนั่งลงแล้วณนะอาสนะก็ใส่ใจถึงเบื้องต้นบ้างย่อมใส่ใจถึงท่ามกลางบ้างย่อมใส่ใจถึงที่สุดบ้างคือตอนฟังก็พอใส่ใจไปบ้างอะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแต่พอลุกจากอาสนะแล้วก็ไม่ใส่ใจถึงเบื้องต้นไม่ใส่ใจถึงท่ามกลางไม่ใส่ใจถึงที่สุดเลยเหมือนของเคี้ยวนานาชนิดเช่นงาข้าวสารขนม พุทธาเป็นต้นวางเรียงรายอยู่บนหน้าตักของบุคคลนะั้นคือของเคี้ยวของกินเน่ยเราวางไว้บนหน้าตักใช่ไหมตอนนั่งอยู่ก็ยังก็ยังเห็นอยู่แต่พอลุกขึ้นก็นล่วงกล่าวลงตรงนั้นเนี่ยฉันใดบุคคลในโลกนี้ไปสู่อารามเพื่อฟังธรรมพระพุทธภิกษุแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดพร้อมได้อัดและพยัญชนะเป็นต้นก็นอย่างนั้นประกาศพรมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งเชิงนะ นั่งนอาสนะก็คือไม่ใส่ใจอย่างนี้เขาเรียกว่ามีปัญญาดุดหน้าตักบุคคลพวกนี้พวกนี้แต่แรกตั้งอกตั้งใจฟั ง, ฟงทำเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแต่พอเลิกฟังแล้วเนี่ยก็เลิกสนใจตรงนี้ต้องระวังอย่าให้เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะคือฟังฟังมากๆก็ไม่จําลยนึกไม่ออกยะกลับเวลากลับจากไปฟังนี่ กลุ่มอย่างเราๆนี่ไ ป, ไปทบทวนกันั้มประเภทที่สผู้มีปัญญามากพทธเจ้าแสดงบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ไปสุวรารามเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุเนืองเนืองภิกษุเหล่านั้นก็ย่อมแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในถามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอจัจพร้อมทั้งพยัญชนะแก่บุคคลนั้นย่อมประกาศพรมจา ร, ริสุทธิบริบูรณ์เส้นเชิง บุคคลนั้นนั่งลงแล้วนะอาสนะย่อมใส่ใจถึงเบื้องต้นบ้างใส่ใจถึงถ้ำกลางบ้างใส่ใจถึงที่สุดบ้างของคาถานั้นเหมือนน้ำที่เขาใส่หม้อที่หงายเอาไว้น้ำนั้นย่อมขังอยู่ย่อมไม่ไหลไปแม้ชั้นใดบุคคลบางคนในโลกนี้ไปสู่อารามเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายเนืองๆพวกภิกษุย่อมแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุด พร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะแก่ภิกษุเหล่านั้นย่อมประกาศพรหมจารย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเขานั่งณนะอาศินอาสนะนั้นแล้วย่อมใส่ใจถึงเบื้องต้นบ้างย่อมใส่ใจถึงท่ามกลางบ้างย่อมใส่ใจถึงที่สุดแห่งกระถาบ้างแม้ลุกจากอาสนะนั้นแล้วก็ย่อมใส่ใจถึงเบื้องต้นบ้างย่อมใส่ใจถึงท่ามกลางบ้างย่อมใส่ใจถึงที่สุดแห่งกระฐานั้นบ้า ง, า ง, ง, าางบุคคลนี้เราเรียกว่าคนมีปัญญามาก กลับไปก็ไปทบทวนไข่ครวญอยู่แน่นนเ่ยคนมีปัญญามากพระพุทธองค์ทรงเปรียบเช่นกับหม้อที่เขาหงายปากขึ้นเวลาที่เอาน้ําเทลงไปน้ําก็ขังอยู่ไม่ไหลออกไปก็เพราะบุคคลที่มีปัญญามากนี้ตั้งใจฟังธรรมตั้งแต่ต้นจนจบแม้โลกจากนั้นไปก็ยังจดจําได้ไม่ลืมเลือนเมื่อเขาฟังธรรมอยู่เนืองๆก็ย่อมได้รับสาระประโยชน์เพิ่มขึ้นทุกครั้งบุคคลประเภทนี้แหละชื่อว่า มีปัญญามากฉะนั้นการมีปัญญามากในลักษณะอย่างนี้สามารถจะทำให้เป็นปัจจัยแก่ความสิ้นทุกข์ได้ <c oughs> พิจารณาจดจำไว้ด้วยจึงเป็นประโยชน์จากการฟังที่สมบูรณ์ได้นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะเออในในคำสอนในสัจธรรมวัคที่หนึ่งแล้วก็สั์ธรรมวัคสูตรพระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่บุคคลที่ฟังพระสัจธรรมอยู่แล้วก็ ไม่อาจจะก้าวล่วงสู่สมมติฐานนิยามได้พระพุทธองค์ตรัสไว้บอกว่าหนึ่งดูหมินเรื่องสองดูหมิ่นผู้แสดงสดูหมิ่นตนเอง4ก็คือจิตฟุ้งซ่านหาไม่ม้รั ศ, ศการโดยแยบคลายถึงบุคคลผู้ประกอบรกอบด้วยธรรมหประการเหล่านั้นถือไม่อาจที่จะบรรลุได้ทั้งการดูหมิ่นเรื่องดูหมิ่นตนเองดูหมิ่นผู้แสดงดูหมิ่นตนเอง หรือจิตปรงสรัน้นหรือฟังไปไม่มนานัิการในสมมตินิยามเนี่ยนะธรรมที่มีสภาพเป็นความดีเนี่ยได้แก่มรักสีแล้วก็แจสิกที่ประกอบสมมตินิยามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรเป็นอย่างเดียวกับสมมตินิยามในมัธิการเนี่ยก็คือการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานบุคคลที่ได้ฟังธรรมอยู่หากประกอบได้ประโยชน์นะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยไปดูหมินตน้นเ ด, ดงดูหมิ่นผู้แสดงดูหมิ่นเรื่องดจิตพุ่งสร้างไม่มานาสิกานเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวลงสู่สามัชย์ตนิยามก็คือไม่สามารถที่จะก้าวลงสู่มัชิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์8ดได้ทีนี้ธรรมที่มีเป็นสภาพความดีคือกุศลธรรมหรือบุญเนี่ยกุศลหรือบุญนี้เป็นธรรมที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งเช่นเดียวกับธรรมอื่นๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นน่ย เมื่อเกิดขึ้นแล้วด้วยอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเมื่อบุคเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็สามารถจะยังผลของตนที้เกิดขึ้นได้ง่ายเป็นต้นในลักษณะนี้คําว่าดูหมิ่นเรื่องนี่ดูหมินยังไงบุคคลที่แม้ฟังทำอยู่แล้วไม่อาจจะบรรลุพรหมจรรย์ได้เนี่ยดูหมิ่นเรื่องที่ผู้แสดงกําลังแสดงอยู่อาจจะคิดว่า เอาเรื่องอะไรมาแสดงก็ไม่รู้ความจริงขึ้นชื่อว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่เพราะไม่มนาสิกาให้เห็นประโยชน์ของเรื่องที่แสดงนั้นตรงเนี้ยกุศลก็ไม่เกิดเพราะกุศลไม่เกิดตอนเนี้ยก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ขาดนี่เขาเรียกดูมินเรื่องถ้าดูมินพูดแสดงก็คือพูดแสดงเนี่ย ไปคิดว่าโอ้คนคนนี้ไม่มีภูมิรู้อะไรเป็นต้นหรอเนี่ยเป็นเหตุทําให้ไม่อย่างลงสู่สมมตรริยถาถ้าดูหมิ่นตนเองก็คือว่าไปพิจารณาอย่างเรา อ, อย่างเราจะฟังธรรมะเรามีพื้นฐานไม่ดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราคงจะฟังไม่รู้อันนี้เรียกดูหมิ่นตนเองนะทั้งๆไม่รู้ว่าอดีตตนเองมาอย่างไงก็ดูหมิ่นตนเองและจิตฟุ้งซ่านอันนี้ชัดเลยฟังไปไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เ น, นี่ยนะ าการที่5ก็คือไม่มนัสิการขาดโยนิโสมนัสิการถ้าลักษณะอย่างนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการเป็นการฟังธรรมแล้วไม่เป็นปัจจัยแก่การเดชะตรู้นี่เป็นไปในลักษณะนี้พเพลินวังวันนี้กล่าวเรื่องอ น, นิสงส์การฟังธรรมมาจนจนเกือบจะหมดเวลาเลยแต่ตอนนี้ขอเหลืออีกไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กี่นาทีเนี่ยนะ เดียวยกอีกเรื่องนี้ในพูดถึงในเรื่องของ อ, อนิสงส์การศึกษาพระธรรมวิ น, ยนัยในพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเร่าเรียนธรรมะคือนวังคสาศาสุกศาสตร์สุตตะเคยย่าเวยาการณาคาถาอุทานิติวุตกาอภุตธรรมเวทะลาเป็นต้นเนี่ย ทำเหล่านั้นเป็นธรรมอันพิสูจ ฟ, ฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีด้ว ย, วยทิฏฐิเธอมีสติหลงลืมเมื่อทำกาละหมายถึงตายนะคือคนที่ฟังทำอยู่เนืองๆเนี่ย น, นะมีสุตตะเคยยาเวยาการณะเป็นต้นถ้าเธอตายไปเนี่ยก็จะเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งคือไปเกิดเป็นเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่ง บทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติบังเกิดช้าแต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพันดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งแห่งธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟังเนืองๆคร่องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีได้ทิฏฐิอันบุคคลหวังได้นี้คือข้อความตอนหนึ่งในพระสูตรนี้จากข้อความในพระสูตรนี้อัตถกถาท่านอธิบายว่า ผู้ที่เล่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังอยู่นึ่งเนืองสาธยาจนคล้องปากและขึ้นใจเนี่ยนะและเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องด้วยเหตุผลของปัญญาเนี่ยแต่มีสติหลงลืมทํากาล่ะคําว่ามีสติหลงลืมทํากาล่ะท่านหมายความว่าเวลาตายเนี่ยคนเป็นปุถุชนเนี่ยตายหลงลืมหมดเลยแต่ถึงจะตายหลงลืมก็เรียกว่าคนตายแบบมีครัว ตายแบบไม่เสียชาตินนะตายแบบมีที่หวังเมื่อตายแล้วไปเกิดในเทวโลกเวลาที่เขาเสวยสุขในเทวโลกนั้นน่ะทำทั้งหลายที่เขาเคยศึกษาเคยฟังมาอย่างคล่องปากและขึ้นใจอย่างพวกเราเราท่านท่า น, ท, านทั้งหลายเนี่ยนะฟังทำกันอย่างคล่องแคล่วเลยสมมติเนี่ยนะปรากฏแก่เทวดาเหล่านั้นเหมือนกับเงาที่ปรากฏอยู่ในกระจกปรากฏอย่างนั้นถึงแม้ว่าสติจะเกิดช้า กล่าวคือถึงแม้ว่าเขาจะระลึกถึงธรรมที่เคยฟังเคยศึกษาในพบก่อนได้ช้าก็ตามแต่เมื่อระลึกได้แล้วก็สามารถเข้าใจธรรมะนั้นแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยะได้เร็วพันไปเกิดเป็นเทวดามีโอกาสไปบรรลุเป็นเทวดาได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ทรมานเอาสินี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรมเนืองๆ น, นะโอ้อยงี้ต้องกลับไปฟังใหม่นะ ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านได้เคยฟังเคยศึกษามาจะเป็นปกติในมนุษย์โลกแล้วเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาก็สามารถระลึกขึ้นมาได้เองโดยไม่มีใครบอกผู้ฟังทำศึกษาทำแล้วเนี่ยไข้ครวรทําไตรตรองเข้าใจอยู่เสมอนี้จึงได้รับผลมากแล้วก็ได้บรรลุเร็วพันอย่างนีออ้ข้อความตอนนี้ไปพิจารณาดูบอกว่าผู้ศึกษาเล่าเรียนสุตตากะย่าเป็นต้นฟังทำอยู่เนืองๆค่อนปากขึ้นใจเนี่ยนะ คล่องปากไปว่าเอามาสาธยายได้ขึ้นใจนึกเมื่อไรก็ได้เนี่ยแทงตลอดได้ดีด้วยทิฏฐิก็คือเอาปัญญาตรึกเมื่อไรเห็นเมื่อนั้นเนี่ยนะแต่ขณะที่ตายลงไปไม่ได้บรรลุคุณวิเศษใดๆเป็นปุถุชนอยู่อย่างเดิมเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาทีนี้บทธรรมเหล่านั้นไม่ปรากฏเทวดาผู้มีความสุขนในภพนั้นเลยไม่ปรากฏอีกกลุ่มหนึ่งนะคือ คือเวลาไปอยู่บนนั้นปุ๊กเนี่ยระลึกช้ามากแต่ระลึกได้นะเหมือนบางทีเราไปเห็นเหตุการณ์เห็นเออร ะ, ะลึกได้เหมือนไปส่องเงาหน้าในกระจกเห็นเงาเราแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือไปเจอภิกษุที่มีอิทธิฤทธิ์ถึงความชํานาญแห่งจิตแสดงธรรมแก่บริเทพบริษัทอย่าลืมนะว่าไปอยู่นั้นเราอาจจะไปอยู่นั้นสองล้านปีสมมุตินะเพราะว่าสมมุติไปอยู่ใน ชั้นดุสิตเนี่ยนะชั้นดุสิตนี่36ล้านปีใช่ไหมเราไปอยู่30ล้านปีสมมติมีพระเจ้าไปตัดสรุตัดสรุในมนุษย์นี่พระเจ้าขึ้นไปแสดงธรรมโอ้เราฟังปุ๊บบรรลุเลยไปเพลินถึงมสงล้านเกือบตายไปนะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าไปเห็นเหตุการณ์อะไรสะเทือนใจก็ระลึกได้ เทวดานั้นก็คิดขึ้นมาได้ว่าในการก่อนเราได้เกิดประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้คือธรรมวินัยนั้นแม้เทวดานั้นระลึกบทธรรมเหล่านั้นได้ช้าแต่เมื่อระลึกได้แล้วก็บรลุคุณวิเศษได้เร็วพันอุปมาเหมือนบุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงกลองเขาเดินมาแต่ไกลเมื่อเขาได้ยินเสียงกลองเขาก็จะมีความไม่มีความเคลือบแคลมสงสัยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นใช่เสียงกลองหรือไม่ใช่ แท่จริงเขาสามารถจะตกลงใจและตัดสินใจได้ทันทีว่านั่นเป็นเสียงกลองถ้าเราได้ยินอยู่ใช่ไหมว่าเสียงกลองเป็นอย่างนี้ถ้าได้ยินอีกทีไม่แปลกเลยอ้นี้คือเสียงกลองภิสูุที่เกิดเป็นเทวดาก็เช่นกันความที่ได้เคยศึกษาเราเรียนเข้าใจมาม า, มากเมื่อได้ฟังภิกษุผู้มีฤทธิ์แสดงธรรมก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าธรรมที่ได้ฟังนั้นเป็นธรรมะ ข, ของพระ พ, พุทธเจ้าก็ระลึกอย่างนี้ได้และแทงตลอดได้เร็วผ่านนี้เป็นอนิสง์ ข้อที่2เนี่ยนี่ที่เราหวังได้บุคคลที่ศึกษาฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแตงตลอดด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้ประการต่อมาคือภิกษุผู้ชนานาญแห่งจิตได้แก่ภิกษุในเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเนืพินญาเนี่ยสามารถขึ้นไปแสดงธรรมในเทวโลกได้อย่างเช่นที่ท่านพระโมคคัลลานะเคยไปแสดงธรรมให้เทวดาฟังเป็นต้นเนี่ยข้อที่สก็คือว่า ตายยังเป็นบุตุชนไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อตายไปแล้วเกิดในเทวโลกท่านระลึกถึงธรรมที่เกิดศึกษาเราเรียนมาจนคล้องปากไม่ได้ทั้งไม่มีภิกษุผู้แสดงธรรมแต่มีเทพบุตรได้แสดงในถ้ำกลางของเทพผู้บุตรถ้าตอนไปอยู่์ในภพใดนี่นะโอ้หาภิกษุแสดงธรรมก็ไม่มีถ้ามีเทพบุตรตนใดตนหนึ่งแสดงธรรมเราฟังปอบระลึกได้เหมือนกันว่า เ, ออเราเคยเรียนมาในคําสอนจากพระพุทธเจ้า และในที่สุดจริงๆก็เป็นปัจจัยแห่งการบรรลุได้งนั้นการใส่ใจจนเป็นนิสัยแม้ตายไปแล้วไปเกิดใหม่ก็สามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างสะดวกและคล่องแคล่วทีนี้ชีวิตของพวกเราเราชำนาญอะไรใช่ไหมยมพี่ชำนาญอะไรนั่นแหละสิ่งที่ชำนาญล้วเขาไปบอกอีกที ง, ง่ายมากเลยตอนนี้นั้นเราก็ต้องฟังให้ชำนาญ แล้วก็ต่อไปไปนั่งนั่งคำนวณชีวิตของเรานะี่เราควรจะอยู่กี่ปีสมมุตินี้พอไปคํานวณเบ็ดเสร็จวันหนึ่งเราฟังทำได้กี่ชั่วโมงนี่เริ่มคํานวณแลย้ยพอนั่นเบ็ดเสร็จก็เอามาฟังฟังไปเรื่อยๆฟังให้เป็นอัธยาศัยพอฟังให้เป็นอัธยาศัยเบ็ดเสร็จต่อไปเนี่ยพอฟังจนเราคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีด้วยทิศทีคิดเมื่อไหร่ก็เข้าใจแล้วเราไปข้างหน้าเราได้ดีแล้ว กะว่าชาตินี้ไม่ได้บรรลุจะไปบรรลุในชาติหน้าคิดอย่างนั้นนะยิ่งพอไปเกิดใหม่ที่นี่จะบรรลุได้หรือเปล่าว่าเะไรยิ่าไปเกิดผิดที่ถ้าเกิดผิดที่ไม่ใช่ขณะที่จะบรรลุทำหรือยุ่งก็ต้องตั้งหลักให้ดีในมรณาสถนการอันนี้สอข้อที่สเป็นข้อสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุเราเรียนธรรมะรวังาสาตศาสตร์ คำสอนภาษาสดาองเก้าสุตตาเคยยะเวยาการณะคาถาอุทานิติวุตกาพุทธธรรมเวทัน ล, ละทมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุฟังเนืองเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเธอมีสติหลงลืมหรือกระทำกาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายมูใดมูดหนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นเลย แม้ภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญแห่งจิตก็ไม่ได้แสดงแก่เทพบริษัทแม้เท พ, พบุตรก็ไม่ได้ฟังธรรมในเท พ, พบุตรนั้นแต่เทพปบุตรผู้เกิดก่อนเนี่ยเตือนเท พ, พบุตรที่เกิดทีหลังว่าเออมีเทวดามาศกิจเตือนนะท่านผู้เนร้นทกเนื้อทกเนี่ยคือท่านผู้ไม่มีทุก์ย่ำระลึกได้หรือว่าเราได้ประพฤติพรหมจรรย์นในการก่อน กล่าวอย่างนี้ว่าเราละลึกได้ท่านผู้มีฤทธิ์เราละลึกท่านผู้เนี้เราละลึกได้ท่านท่านผู้เนล้ยทุกสติบังเกิดชา้าคือละลึกได้ชา้าแต่ว่าสัตว์นั้นบนผู้บรรลุคุณนิเสธได้เร็วพันดูก่อนพิกษุทั้งหลายสหายสองคนเนี่ยเล่นฝุ่นด้วยกันนะเขามาพบกันบางครั้งบางคราวในที่บางแห่งสหายคนหนึ่งพึงกล่าวกับสหายคนหนึ่งว่าสหายท่านระลึกถึงการ กระทำแม้นี้ได้หรือเขาพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าระลึกได้เราระลึกได้ชั้นใดตอนเล็กๆเนี่ยเราเคยเล่นฝุ่นกับใครเล่นหมักเก็บกับใครเล่นของเล่นกับใครอยู่ใช่ไหมต่อมาพอไปเจอกันปุ๊บแล้วก็ทักกันเนี่ยบอกเออเราเคยเล่นกันแบบนี้จําได้ไหมโอ้โหจาได้เลยชั้นใด